อนุสติเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่ไมตตีกิจคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้าสามอสุภะ พ, พิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นที่เห็นเป็นไม่งามสี่มนานัชสติระลึกถึงความตาอยจะมาถึงตนกรรมาฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิส ซูมเออน์ใมหฮั่นให้นักเขาทั้งความเพียรในการ ง, งานก็สมควรนี่หรอกกบฏเตกลาสามคัคคีกับดอกมาเกิดขึ้นมากรเดิดจูก็บฏเตกลาสามคัคคีกันเพ่อปันไรเขาก็เ บ, บิงลแค่นี้แหละก็พอเป็นไปอยู่ก็สมควรอยู่ระแบบรักขามนักอยู่อืมจริงกรณีเยซูทักกตาความขยันเอาใจใส่ในกิจโทระของเพื่อนภิกษุสามเณร ธรรมกามตาความใคร่ในธรรมที่ชอบวิริยะเพียรเพื่อจะระความชั่วประพฤติความดีปปอัศโนดนดีด้วยอาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่นอนที่นั่งระยารักษาโรคตามมีตามได้เก้าสติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงของสังขารก็เกิดขึ้นแแปรปรวนและแตกสลาย เป็นอันนี้อย่างทุกขรังอนาตาเดียกวกับลู้ตามจริงของสังขารเข้ามาบริกรรมบริกรรมกำ ก, กับอยู่เฮ่าปฏิบัติไมใหมป่ปฏิตากเท่ากับบริกรรมพุโทโธอยู่กับพุโทโธพุโทโธเนี่อยอะไรมั้ยนี่ยุกติเวหาโยูผู้เดียวหรือทุกวันนี่ขึ้กัน พอโลกบันไดกัรนันลึกถึงงูหลดเดยอะแล้วจะเหยียบงูนะมันขึ้นกระเพาะหน้าหลดไปส่วนไปฐากนก็คือกันแง้มขึ้นเนี่นนยาพากันลุกพาหน้าได้กบบระบอกหดเอามือเศ้าพองเอาพองเอามันกรบโพดรอกเขาว่าหันแ้มมือเศร้าแบบทับชาเด็ดเด็ดเออ เขาไปินถ้า บ, บาดไปทับทาได้เด็ดทําทาเป็นพระละหันเมือนนี้มึงขึ้นมันนอนตายอยู่บับลกภาวนาอีกเถ อ, อืมาเขาไปในบาดมนทับทาได้เด็ดอันทับทาได้เด็ดเปลีนยังใครเด้อดกันยังใครยังจักน้อยอ่ะอันว่ทับทาใส่จักบอนเนี่ยเรเป็นแต่อุ้งลายนะปานไปหางวาหาัวหกไหยปานไปยามซอด น, นี่คือไป <c oughs> ของปุ้งเล็กปุ้งเล็กคูยเล็กไปเลตอนหัว <c oughs> เขาขึ้นว่าเฮาท้ำบุญเฮาพาะวัดหน้าหน่อยขเนีฮาพาวหน้าอยู่เสมอเมื่อก็ได้บุญเยอะเอมอขวัตของเฮาก็คือสมกวนเนี่ดอกอันในส่วนสามขี้กันในการงานเนี่ยเฮาก็เห็นใจลูกกับหลานอยู่แบบท้องนักท้องนาสารพัดกํามันมี่ก๋ำมันมีในสลาดลังนี้ กเ็เฮ็ดเพื่อพระพุทธพราะท่ามพระสงฆ์ไทยแย่ว่าเฮ็ดเพื่อผู้อื่นผู้นี้เรื่อก็พ่อหรอกฉันว่าเฮ็ดให้เฮ้าว่าเฮ็ดให้พระองค์ไหนองค์หนึ่งสิมันกเ็เฮ็ดเป่ลงอันนี้ก็คือการมัดก็ว่าเฮ็ดให้เฮ้ามัดจะเฮ็ดอันไหนก็ได้เฮ็ดดีก็เฮ็ดให้เฮ้าเฮ็ดตัวก็เฮ็ดให้เฮ้าการงานเกิดขึ้น เมื่อยากเมมากอยากซอยมูหันยามการงานจากของเกิดขึ้นมุย่ยผู้ซอยพระพุทธเจ้าออกเมื่อกิดเมื่อกิตทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือเพราะเหตุใดเพราะตนไม่ประสงค์จะช่วยเหลืองานของผู้อื่นเสื้อเปรียบไม่อยากจะช่วยกิงกาเนีเยสทักกตา ความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนพิสูจสัมเา涅ไม่ทําตัวให้เป็นที่ดังเกียจของผู้อื่นมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิสูจสัมเณ涅อื่นไม่วิวาดกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทําฮกยางทำเก็ดยางนี้ทําผู้อภิษถ้าเป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปพวกความสงเคราะห์กันเลยกันเป็นไปพวกความพร้อมเพียงกันแลยกันเป็นไปพวกความไม่วิวาดกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อปริหานยธรรมมีเกตย่างทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพราะความเจริญฝ่ายเดียวเรียกอปริหานธรรมมีเกตย่างหนึ่งมันประชุมกันเืองนิด2เมื่อประชุมก็พื่อเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พื่อเพียงกันเลิกและพื่อมเพียงเสื้อกันทํากิจที่สงฆ์จะต้องทํามไม่มัญญ์หยัดสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่มัญญ์หยัดขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญ์หยไว้แล้วศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สี่ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิสุนั้นและเชื่อฟังถ้อยคําของท่านห้ามไม่ลึกอํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหกกินดีในเสนาชนะป่าเจ็ดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิสุสัมมณีซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุสขขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเรียกว่าอปริหานยธรรมเจดอย่างเรียกว่าทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพราะความเจริญฝ่ายดียวเรียกอปริหานยธรรมมีเจ็ดอย่างหนึ่งวันประชุมกันเนืองนิดสองว่นประชุมว่าพ่อเพียงกันประชมุมเมื่อเลิกประชุมว่าพ่อเพียงกันเลิกและพ่อมเพียงช่วยกันทําจิตที่สงฆ์จะต้องทำสามแม่มัญญัติทิ่งที่พระพุทธเจ้า ม, มันมัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาหมดตามที่พระองค์ทรงมันญัิไว้สี่พิกซูเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิกซูนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านข้อห้าไม่ลุ้อนานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆข้อหกกินดีในเสนาสนะป่าไม่ยินดีในความเอือกเลืกเหาข้อเจ็ดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิคือสามเณรที่อยู่ในทิศทั้งสี่เป็นซึ่งเป็นผู้มีศีล ที่ยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาเถิดที่มาแล้วก็ให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดทำเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นมีไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอนี่ยมันไม่ถึงแต่สิน่นมันไม่มีกระดูกข้าสอนพระเจ้าบันพระเชษฐพึงพิจนารนณานเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคืหัดแล้วอาการจีริยาใดๆของสมณะ เราต้องตามอาการคิริยานั้ น, น, นสองบรรพชิตควรพิจารณาเนืงเองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายสามบรรพชิตพึงพิจารณาเนืงเองว่าอาการกายวายใจยอย่างอื่นที่เราจะทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ข้อสี่บรรพชิตพึงพิจารณางเนืองว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศินได้หรือไม่เฮาออกสินมาเป็นมันทัดเฮาพิศสินคอไรเฮากรตีเฮาใส่ศินเถอะนะเมื่อเป็นสิ ส, สตีสินมาใส่เฮาข้อนี้มันพิชศินตัวนั้นมันทีนี้ไม่นพิชสินตัวนี้เฮากรตีเฮาใส่สินหนังเฮาตีขามดดํำมดแดมงมดนี้ก็ได้ตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศินหรือไม่ได้ได้หรือไม่ ทีนี้ผู้ลูกไร่ควรแล้วตีเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่เขาเห็ุไปทั่วผู้เขาลูกไข่ควนล้วเขาก็ตีเตียนเท่าที่เขาเท่าขมศีลข่มธรรมหกเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของชองบใจทั้งนั้นข้อเจ็ดเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจากได้ดีเราทําชั่วจากได้ชั่วข้อแปดวันพิจิตพึงพิจารณาห น, านเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อันนี้สีเตือนให้เจ้าของพระานีาด้ ข้อเก้าบรรพิตบรรพชิ ต, พ, ชตพิจรรารณาเนืงเองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ตอบพ่อก็บอกว่ายินดีเมืนี้ยินดีในที่เออกระลึกแค่ห <10. S 2> ้าข้อสิบบรรพชิตพึงพิจรรารณาเนืงเองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้เมกเกอร์เขิน ในเวลาเพื่อนมันไปคิดถามในการภายหลังนั่นถ้าเราบริบูรณ์เป็กคอต้นมาแล้วมันพชิดถามเราก็เบื่อเบื่เคิร์นถามเรื่องพ่อหน้าก็ไดถามเรื่องไหนก็ดีแล้วก็ตอบเขาได้ลดคลาดของพ่อหน้าพอมากับไผ่มากามากับนั่งตาบ่โนอนนี่นี่บ่เน่าตามันอยู่มบ่มันถึงขึ้นมากยู่บ่ เออายามันล็อกมันยืดตามส บ, บายมันออซอมาได่โตกัยาหรอมากกมากพ่อใหญ่ฮูจัดกซื้อรอกพ่อใหญ่ฮูจัดก็ก ม, ดกามากองคมันทิดองค์มันทิดมันทําการทํางานซอยบอเดียรนี่ทําเกาล่ะฮะใครได้บ่คือเกาหละ่ <c oughs> หะ <c oughs> บบมาจากใด่างดียัง บ่บ่บ่ท่านไปกินเหล้าทีท่เฟี้ยตัวท่าบอกดูโตก็จะไปกินเหล้าว่าสันใครกิ ข, ข, ข, ของซองยเขานี่จะสเสียนตามมาเพื่อไก่ร้า ย, ายว่าสันาบอกดูเดล๋วพใครกเกาซับเกาเนาะแล้วรับถูบยาบอะคือมันเ บ, บิ่งคนมันเ บ, บิ่งส่ตัว มันข้นมักเคียบสิปตีมันยังไหนสิตีป็นพอเพราะว่าถึงก็ตีจักบาดนอสันพอเป็นเมาสอตีจังไหนมันมเทียงวมื่อันตัวตีจบาดนอสันตีมันเกิจักตีเป็นเรื่องไหนบมันกินบุจักรอย่างมันโมเถียงผู้ใดมันบเป็นค้นชีโกดะมอนี่เบิงคนมันเบืงคีอตอันเบื้องคือเสียงเบ้งเจ็ยบจะได้แต่เบงคนน่ะ มึงบดเบิจะตัวมันบกระตือรือยรถนี่มันมาากไนอยางกิยางหัวมันตัวกิเด็ดมันมาลายเว้ยกิ้งย่าหัวมันเราบอกแล้วมันสีเด็ดลายมันก็นเป็นแทงจีแตงแล้วมันยากเลยเยอะจากไหนเมียเยอากไหนรถเยอแต่ได้เลือได้ได้ได้อันนั้นอันนี้ไม่ปฏว่านี่มันจีเด็ดมันมาลายมอยากไอย่างกิ้ยางหัวมันเราบอกมันเหมือนวบอกน้าสอนเลยท น้อยไม่ใช่มาบวดอีกกบะพยักหรอกเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีบับเเขื่อข ม, ม่าบ่ได้กล้าไมนไั้เกิดเองเอสิว่าจังใดเพอออกนั่นผลจากได้จากดีแต่และพออยอ่างกบันหอยใต้นะผู้ปิดโชตหน่า พี่ชายแอ้เพจนไทยเก่ะบ่ผู้บ่เอาเนี่ยนะลืมซื้อแล่าอือพ่อเกียบเกียกพ่อเกียนลกับมันไปเฮ็ดฟักฟ้าไปขายอยู่มันอยากได้อยู่อันนี้ไม่อยากได้อย่าง ย้ายหัามาันยุตตาภาษาเลยสัสปับนหาตายเขาขึ้นเพราะมาหายมันในหามหลักเอาล่ะพราะหายมันในหามไปวัดธรรมะเองครูท่านครูคนอ่าแยกพักกันตั้งใจแยกพักกันทะเลาะกันมีหน่อยก็แยกทะเลาะกันมีร้ายก็แยกทะเลาะกัน ติดตั้งหล้มแข่าเลี้ยมงากันมาถลาะกันเนี่ยห้ามีแนววาหายมูโตได้เเพราะมูโตมาเองห้ากบไดเกลี่ยไกดกอมเนี่ยาม่าเลยขม่าเอาเพรเอาชนะกัปูเถ่าเมื่อกว่าถือกว่ามูโอโตมาเองบัตสุกคนทุกคนน่ะอยู่ในนี้นับเจลูกแเจล้านผู้ไก่ผู้ไก่มาเองมัตสุขคนุขคนน่ะกันมาให้พาคกันตั้งไก่ตามสีกำลังากับภาคกันมาเลอกโบวแยงกันแห่งากันตั้งไก่ปฏิบัติตามสีกำลัง อันนีเมตตาเขาหน้ากันเออถ้าไม่ได้ย้อาคิดน้ำใจของท่านแต่ละท่านละคนเห็นอันใดโบแมนแลนโบเพียงตีเตือนหรือกันหามันได้บอกกันหามันได้ยอดถุมนีทิศ ท, ทีนั่นมาณนะมากยอมรับจํานวนข้าวพลิกก็ต้องรับว่าผิดผิดตอนนี้นก็ไปปีนว่าถือมันกับว่าเถือ่อ ออท่านเฮติงสันมอมาบผสมเลยขามีผู้ถ่วงก็ให้รับพี่ชนะตะกอนอาจเจอฟ่ากับมังกรปั่นโรดโอ้อันนี้ผมเสีรับพี่ชนาก่อนก็ให้ว่ายช่างสั่นโอเขามันถือโอ้ยแมนนี่วี้วไว้มันถือข่มท่านก็นยอมว่าให้กันนี้อันนี้ผิดปันไดก็ยังปีนเทียงเอาถือกันได้กับว่าถือบนนี้ก็ได้ทิถีมานะกับโบไปโย่ไส่กับว่าถือไป อแบบนี้ม so ึงมีพ่นดิีอยู่ขันอวิชาพระราหุลไม่ผููเตือนไม่พูดว่าให้ถือว่าเพิ่นเอาขุมทรัพย์ไปแล้วฮะเพิ่นไม่ตาเราไม่เคยโกรธเลยแต่โม่ห้าวนี่ยบ่ได้บ่ได้พระราหุลจักโอ่งหรอกว่าจะตีเถาะแล้วสีกรามก็ปั่นเขาพาเขาโลดทั่วได้ขอดกันทถือขอทั่วได้ไมมกันทถือไม่ ถือเลยมีดกันท่ถือมีดถือยผ้ากันทถือผ้าก็เกิดกพิษยังก็เขารักษาสิ่หายอยู่วันก็ยังดีกว่าเฮาตัวพิกสูชับ พ, พวัคคีมีเขาพันษาเน่ตั้ง กติกากันว่าเนี่ยมาเตือนผมนะไพยดีก็ต้องดีไปไพยซัวก็ต้องซั ว, วไปต้องใส่อุบเบกขาเนี่ยจะพูดถูกปากถูกจาน้ากันออของไพ่เข้ามั่นอยู่ไพอยู่มั่นพระพุทธเจ้าได้ทราบเขาเป็นพระชุมช่มสูงบ่ได้บ่ได้พวกพระชัพพระวัคคีนะว่ามันปัญจกวัคคีได้ชัพพระวัคคีตั้งอา ที่ปฏิปักษจีงซานมัถือศาธนาของเขาเจริอนก็เพาะเตือนกันเหตุจีงซานในเวลาออกโฆษาจังว่าทิพเทนะว่าโซเตนนะว่าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีด้วยสงสัยลังเกียจก็ดีปรดิษสังขารยะว่าด้วยความสงสัยความขอประพฤติบดีก็ดีวัดด้านตูมังอายักษมันโตนุกัมปังจงส่งอนุเคราะห์อุปาทั้จงโปรดตักเตือนกันเหตุเจียงซานวัานปรมมหาปรวารณาจึงในปวารณากันอออกโฆสาน ศาสนาเฮาสิจะโล่นขึ้นก็เพาะเตือนกันนะฮะพี่หูสองน้องหูหนึ่งนะฮะมิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งตอนตอ น, ตอนไหนทำตอนตอนไหนทําถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทําผิดก็ขีดกันเรียกว่ามิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีโมเมนต์ทําดีก็คอยตามทําชั่วก็ค่อยตา ม, า ม, อ ต, ามตอนนาวาสนรเสริญรับหลังต่างนินท่าใส่บระไรอันนั้นโมเมนเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันอันนั้น ตัวที่ไปพักต่อให้งานไปภากสะปัดมันเมื่อยปั๊บเมืม่อยบ่ตัวตั้งใจที่ว่าบวชชัวข้าวไอ้มันสมฐานะบวชชัวข้าวที่ตั้งใจแล้วย่าจะเอหนังสือโรงเรียนว่าเบิง้งหนํามันมันมันเสียทําเนียมของหลวงปู่ มิทาคู่จะเอามาเบิงนำตั้งใจภาวนาตามสิติกำลังเพราะเวลาของเราไม่หน่อยเลียย่าเป็นคู่มาตา่อลอดต่อเทียงกับพระเจ้าพระสงฆ์ให้ถือพลวัให้รับรล่องไหวพี่เจ้าไหวซะก่อนเพราะข่าก็บหงกก็ บ, บวชเป็นทั้งหลวงข่าเลียนสูงก็เพลินยูยกไว้แต่ว่าทั้งถ้ำน่ะยังย่อมอยู่ ย่อ่เคยได้ยินได้ฟังทอท น, น่อมไ่เคยได้ปิบัติทอทานส่วนทั้งโลกข่าเรียนเจงกอันนั้นยกไว้ตั้งหากเท่ากับ่ได้อาโลกเป็นสารนัสามีนี่นน อ, อว่าบเขาั่งเทาที่เอาวิสาทังโลกมคมพระมันก็บ่ระทึกว่าอันนี้ต้องรับไวสกรรัดหัวดอนไวสกนกะระแตสเต็นบนกเ็เลีนสีใต้ <laughs> อง์ตึกก็หัวงงเงาๆไว้ยองตึก <laughs> ปีนี้ เ, าเอากัว้สันองค์อารุนเป็ดก๊กหนึ่งพูดยาวซุมน่งเขาโจมทีองอารุนท่านเองค์พิดดบบออรุณอ่ะมันซุมหนึ่งประเฮตวนทางจบกรม เพิ่นจะเขียนซื้อเพื่อนองค์อรุณเป็นผู้ใ้ายกู้พันหาโยกเท่าเพิ่นสั่งว่าอันไหเพิ่นก็ดเเห็นเสียงคือสันเท่าสีมักหนามักตาจะกระโดดเพิ่นไปเคียวให้มอส์นี่เพื่อกันโจมตีมอส์นี่โจมตีองค์อรุณนี่บัดมือีซีดันมือสิซีดเพิ่นจะโกนหัวนี่กนันเพิ่น่จะโกนหัวสันเาก skill, ็มาอยกบนสำหนักของเพิ่นสูงเติบว่าสัน เขาก็จะเห็ดคายนาค่ายตาเพื่อนเราบอผมหมุเขาวัตายเมื่อก็้ิปงอยู่ตัวสั่นกระเถะตะระโบสั่นเข้ากับทีไปนานี่เขากับเงสิไปอีกร้ายมืออยู่สั่นกระเถะะก้อนระโบถึงมือพันเถววาสั่นเขามาถอดกระินนึกคนสีรมาหาเพื่อนก็มัหัวหล่นหมขอกหมกขอกปนมูอยู่มักไเห็ดอปีสีกระบานโพดวั่นคือจังอยากซกอยู่ตแต่มือ เจ้าพวกท่านบวชผมว่าสันบัตสิแท้มันหายได้มหนี่ผัวนางปลานี่เด <c oughs> ี๋ยวมึงมึงเบื้องฝูงลดน้าตาพัางเงาเงาอันเถอะอันจังเสียมันก็ขอมเป็นตะบวชออกไปแล้วเราก็มีกินเศ้าแล้วเลขกระเบนว่าทีเห็นน้องปลานกปูหามโอ้ย รับเข้าน่ะคอนเทน์น้องปามันกับบดีแล้วเขาก็จะไปง้มากินยุหันละคอนนด์สเาสีอาทำมาแทะเากับบ่อเห็ดล้วอนเทนด์ก็เลยบ่เห็ดน้องปลาขัเียงเป็ดคอนเันเรียงเป็ดน่กับขันห้ามูกยังกินเขาก็จะไปทุบยุคหันแล้วเขาจะไปกำข้อมาปาดยุหันแล้วกระเบื้องสักกะดีหรอกกระเบื้อง ของพ่อบวัวไทยระเบ้อคอนเป็นเรืง อ, องหมโหมโหกถส่วนหมดไปแบบหนึง่มงมโหสนพอไปครบก็พระเลนเลตเข้าเลยพระลายพระเลนเลตกันี้แล้วมัใกไเข้าเท่าสมุนก็เลเียดนพระเลนเลตมโกสถส่วนพุ่นมันมาขึ้นมาทาั้งนี้มันนัดเข า, าขึ้นมาทางังกุ่นมาสร้างมารุปึงกุ่นอันบักภูแม่ บปเยอะใส่บุญเดียอะไรอย่างนี้ดรอนั่นจะเขาขึ้นมาทั้งรู ป, ปึัง้งหมดเากำลังสิอะไรไนี้ในยิ่ น, นะ่าเขาสิไรนี้โลกตะกรอนหลักนี้ก่อนพาโลกตะคุ่มมา่านจับพื้นัมเอากันเยอะพูพาานพพพ้นั้ท่าหมดแต่รุมบ่อยเงี้วั้นท่าพื้นพื้พระนั่นนี่พระพัายามันห่องขึ้นรัมมั หยัดเบปันยินงเลยดกเล่ปลอยเลยปอย ก, ไ, กไปนอดอเพื่อนนก อ, อุปถากรคืนหนึ่งบอกเล่ปุ๊บไปบอกปล่อยฮอตพุนละฮอดควาเพื่ อ, อพ้นท่อพุนฮอดอุบนฮอตสักวนพุนชมวงนี่ไปนี่แล้วส่พุนนี่นั่นอุปถาพูดดดสันหัวเ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งี้ยตวามาน้ำหลวงปู่เขก็ทีบวดไทยมอว่ามาถึงกูบวลดีมอ มันเปนนนเลนไะด้แ่ไหนหรว่าเนี่ยรือพระเจ้ามันกับพระเทวักับบเป็นผู้ใดหรอกเนาะเขาลุงพระเจ้าอ่ละล่ะมันกกเป็นเรื่อขงของฝ่ายของมันเรื่องศึาของพระเจาเเ้ า, า, า, ม, ม, า, จามันเป็นเรื่องของฝยของมันแต่หมูเห่ายัมันเป็นหมูเหาว่าในเมื่อไรพอมื่นพอแสนคือเพิ่มนกเพิ่มมาจากมื่นจากแสนจาล้านคนเห่ายังไม่ดับสิบดับเร้าเลย นี่คือมาทะเลาะกันอยู่ขอพ่อจินสิทะเลาะอย่างไรก็คนไหนอันนี้ก็มาสู้กับจินหนึ่งตัวนี่ตั้งใจพอวนะตามสถิติกาลังของฝ่องมันมันเสียพันาส่วนการงานกับว่าพอประมาณนอกเว้ยันว่าสางกุฏิวิหารนันสัมีคนเป็นรักยู่เขาว่าสางซาลาห์ะระจ้างเขาเมืมหลายมือหลายเสียงะเว่ย มันเสียไรต่าพระเ็ดกเราเขเรียกคือกแตมีย่ามในเห็ดย่ามบ่อนใเฮ็ดยุ่ได้หอกกายุ่ยส่ก็คือกาม้วนเท่าอื้นที่เบิ้งได้ก็ว่าอะไรผ่มาเห็ดมันกัดทิมพระมันกัดทิมว่าอะไรคือการแต่เบิ้งคือการไม่ตัวองค์ของคุณโน้มมาเบิ้งห้ากับอะไมาเห็ดห้ากับอะไรเบิ้งน้ำพ่เนี่ยคือกนวมห้างจะไปใจจิตใจเหงนบเบิง ส<บ>าระลังนี้แล้วมันกระิเบาไปแล้วเติมลาบานีอมันถึงมดอดูร้ายลานด้ี่เข้ากะว่าเข้าสีโเฮ็ดแล้วถ้าอยังแล้วเขากว่าเขากรสีโมเฮ็ดอีกนี่ดูเก้าว่ามันถลายคนพูดนึงดขึ้นจังนึงพูนึงขึ้นจังนึงฮนี่แต่ว่าเฮ็ดร้ายเกินไปกระทบเขาขึ้นไปแ่ะวัารเฮ็ดกระทบเขาขึ้นไปล คือห้าแคบคันเฮ็ดร้ายกับทับห้าวเพื่อกันล่ะคือห้าวติดแต่สางแต่แปลงมันเป็นรัชสันได้ห้าเนี่ยเห็นัชสันห้าวอนุรรมห์กับอนุรรมแบบขอบแบบที่ขอบเขตด้วยม่นเป็นห้าวมอบการหมอบงานให้โม่ให้เพื่อนแล้วก็ที่เฮ็ดจนโคบไปกับอะไรด้วยคันห้าวโมเห็นดีก็ต้องหยุดดิมันยังไงด้คือสมเด็จทบบามราชาน่ะเพื่อนปอยให้พวกรัฐมนตรีปกคล้องคันเพื่นโมเห็นดีเพื่อนกับโมเส้นให้เฮ้ย ่มติเหตุลวงพ้นไปเมดเด้อันนี้ก็ว่าไอ้ซ่งย่อยๆว่าเม่นเนาะหรือบอมีนเพื่นงอนุญาต้สงกับเพื่นซ่งอนุญาตไม่ขอบเขตได้ว่ามติไปยุ่เหนือพ้นมด่ด้มาสั่นกับประธานในสงกับ่มี่พีั่นพิสูจเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงเขารบพิสูจนนัน เพื่อฟังพ่อคำของท่านนั่นมันมีอยู่ในภรวินมันในธรรมะไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเส้นสนป่ามันมีในอภิหานนีธรรมโยสงฆ์สงฆ์รายที่มาโจบจีเห่าว่าเป็นท่ามมันกับไปบ่ได้คือการนอนเขาคันาบอกเป็นถ้มแต่สงฆ์สงหลายสิลือั่นกับบ่ได้คือการมันเป็นสันหมัมันีมีออานาจเหนือเห่ามัดสูแนวสงกัได้แต่พี่เจ้ามันขัด นักธรรมธคือกันก็บกว่ามินสิมีอำนาจเหนือสมเด็จตัวบรมลาซาามดสัวแนวเขาบอกเขาสันงข้ามพระพุทธเจ้ากับสิมีอำนาจเหนือพระพุทธเจ้ามุสตูแนลเขาบ่ได้ก็มีเนี่ยแต่แนวมันเป็นทํำแนลว่าเป็นร้พระองค์เจ้ากับ่าซ่ามัสทีงยอมให้สงเฮ็ดคือกันนั่นอันนี้ก็ต้องมูตั้งายต้องพิจนาชท่านทุกคนอันนี้ก็ได้ คนชิงได้ห้าหามทั้งสามเทียวายยายาใหม่ใหม่เลสงทั้งรักกับโมขวรลวงละเมืดควาว่าทางการไม่หา้าอันไม่ห้าวไว้มันก็โมมีความหมายอย ว, วางฉันออกคนชิงได้ห้าอนุร่มก็ต้องทซึ่งได้ห้าวายายาใหมใหม่ทั้งสามข้างสี่ข้างหรอซึ่งนั้นโมขวรลวงละเมิดสงข์ขลวงละเมิดกับพิษโุ่นหนักพิษปฏิปทาด้ว พิษธรรมะพิษธรรมพิดวิเนยโหลดเพราะสงฆ์ันมันเหตุเป็นถ้ำเมิดมันแมนยุ่นแหละตอนในสงฆ์เหตุว่าเป็นถ้ำเฮ้าทีอนุโมทนาเมิดมันกับวัตถุได้เห็นว่าองค์สันว่าเขาเอาถ้ำเอาวินนยเป็นแวนอะทีเอาสงฆ์หนาเดียวเป็นแวนกับวัตถุเอาถ้ำเอาวิเนยเป็นแวน เอาคนมูมากเป็นแว่นหนาเดียวกับพระถือพระพุทธเจ้าบอได้เอาคนมูมากเป็นแว่นหนาเดียวด้ยเยผู้ยัติกาเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณคนมากเ่านั้นถ้ามันปีนถ้ำปีไม่แน่เพิ่งกระบอกเอาด้ยพระพุทธเจ้ามันโมขึ้นเขาเลือกผู้แท่นสมือหนีด้เขาเลือกผู้แท่นสมือหนี่คอยบวกลงคะแนนให้เขาก็จ้างเอาจักว่ามันพบจุดเจของปลอมยุ่นเลยอ่ะนั่งนมามขึ้นของเมื่อมาให้ลุกภาวานา อาชีพา ก, กันนอนรวดเดียวน่มเ้าเหมือนจังนับทาดีเด็ดไปบินท บ, บามกเป็นจะเบื่อเทได้เากุฏิจัของกับปัดแถมมันดีบบนอนนอนนดีมันับบันน้อนมันจะดเพราะท่านก็กล่มมนจะได้นีมงเล่นคำว่าด้นอนมืงเล่นกับเบิกคอยหลังพูดหรือวนวายสมวาย 4, ี่ พีุิตสีต่ามาแล้วล่ะรวงเขาล่งไฟพ่นทำาาด้เด็ดเขา้าพอนของกะลอกเก็บเรียกอันนี้พ่อใส่พ่อซอยใส่ใส่ซอยไปสะก้อนจะไปหุ่นมัน่นอันเครื่องบริขานอันอื่นนะ บาดมันค่ข้เขสนนี้มันจะนตัวยังไข่ัวเดียวเนี่ยมันมีบาทบาดมีบาดสแตนเลียกักับบาทเครือบทไมมม่มีบาทสเตนเลียกับบาทเครือดโเป็นทุกข์าตายดิมห้บวมบาดปีตะเก่าเทือซบเทือดมึดฝืต่างว่าเพจักเขาไม่เอาสายรถชิดหลอมันก็นสีได้จักสองขั้นสามขั้นหม ตอนไหนก็บ้าได้นอนนึกผัแตกนอนนึกผันเบื่อยูเมอร์เนี่ยมันเกินสบายแลยอ่ะแนิ้วตวเาได้เกิดจากเทือบ่าจ้ะพระกตั้งไกนนพรวานาล้วไป้นพระกัณทะเล อ, อีวาดให้มันเห็นขุนในพวานาเดียเห็นขุนในทางสีกขานมันก็นเตที่อยู่อืมการผสบก็บสาคัญตัวเป็นกรรมฐานเขาแหงวาอยู่ ก็มาทานก็มาถอกก็มาหลอกเอาของว่าสันคาว่าก็มาทนก็มาถอกกันก็มาตอกดากแม่เขาว่าสันคาว่าไงมัดถือก้าวเขาคาอายุ่แล้วมัดถือก้าเขาไอ้ขาว่ากันเขาว่าบัถือเข้ากับมักเกียรติเด้แต่คาว่าถือแล้วตักเกียดตทั้งไอเด้อ๋อ เขาโมีแม่เมขาว่าติตอกดากดอกเขาบ่ได้รับไว้เขามายามเขาก็ามายายามเสืวข้างเสืข่ข้าวเขาไป